สกับดักหากคุณเคยเห็นพืชหรือดอกไม้มีพิษบางชนิดคุณจะตระหนักว่าบางสิ่งที่สวยงามในโลกนี้ไม่ได้เป็นประกรันความปลอดภัยใดๆเลยคูณไม่รู้และหลงเชยชมอาจบาดเจ็บสาหัสเพราะขาดความระมัดระวังตัวคาดไม่ถึงว่าฤทธิ์ของมันจะร้ายค้านสายตาได้ขนาดนั้นกับดักของเกมกรรมก็เช่นกัน มีบ้างที่แสดงตัวโจ่งแจ้งว่าเป็นกับดักเครื่องล่อแต่ส่วนใหญ่ถูกอำพรางหลุมขวากไว้ทั้งแบบพอเนียนตาและทั้งแบบแยบยลล้ำลึกกับดักที่โจ่งแจ้งในโลกมนุษย์นี้ได้แก่เล่ายาการพนันและการมั่วสุมของเราอันพานแม้จะปรากฏอยู่ชัดๆว่าเป็นไฟแต่ก็ยังมีมแมลงเม้าบินเข้าไปหาเพียงเพราะรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่น หรือเพียงเพราะรู้สึกว่าจะเป็นแหล่งทําเงินหรือเพียงเพราะรู้สึกว่าเป็นของดีสําหรับตนกับดักที่พอเนียนตาในโลกมนุษย์นี้ได้แก่หญิงชายเจ้าสเสน่ห์ที่นิยมหวานสเสน่ห์ไปทั่วเพียงเพื่อให้ใครๆมายอมสยบหรือเพียงเพื่อให้รู้ว่ามีใครแย่งชิงตนแบบเอาเป็นเอาตายหญิงชายเหล่านี้ง่ายที่การต่อมาจะประพฤติผิดในกาม อาจจะน้อยๆหรืออาจจะทุกชนิดถ้าหลงติดก็เท่ากับพลอยร่างพลอยแหกลายเป็นหนึ่งในชู้ของเขาหรือเธอได้กับดักที่แยบยนล้ำลึกได้แก่การงานหลายๆอย่างที่ดูเหมือนดีดูเหมือนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นแต่ที่แท้ตั้งต้นด้วยความหลงผิดจึงพลอยพาให้ผู้ติดตามหลงผิดไปด้วยเป็นจานวนมากเช่นคาสอนของบางลทัทธิ ที่น่าสนใจมีคำสอนเป็นเหตุเป็นผลน่าคล้อยตามแต่สุดท้ายสอนไม่ให้เห็นความสำคัญของพ่อแม่มากกว่าเจ้าสํานักและที่สุดคือทำตามเจ้าสํานักสั่งได้กระทั่งฆ่าคนอันที่จริงเกมกรรมเต็มไปด้วยกับดักจราัยไม่หวาดไม่ไหวว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าคุณเคยหลงเชื่อผิดผิดถูกหลอกให้ทาเรื่องผิดผิดชนิดเห็นดาเป็นขาว เห็นกงจากเป็นดอกบัวอันนั้นแหละตัวอย่างกับดักของจริงในชีวิตคุณกับดักบางอย่างให้โอกาสคุณแก้ตัวแต่กับดักบางอย่างขอเพียงคุณหลงพลาดไปติดครั้งเดียวคุณจะไม่มีวันได้หลุดออกมาอีกเลยจนกว่าจะใช้กรรมหมดตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นลัทธิฆ่าตัวตายหากสาวกของลัทธิหลงเชื่อนึกว่าการฆ่าตัวตายคือวิธีลัดสู่ความเป็นอมตะ หรือนึกว่าการระเบิดพลีชีพเป็นวีรกรรมที่จะได้รางวัลบนสูงสวรรค์เช่นนี้คือการสละสิทธิ์ในเกมกรรมแบบมนุษย์และต้องระเหตุไปเข้าคุกที่เกมกรรมตระเตรียมไว้ยาวๆแทน 5. อัตราเสี่ยงที่จะเล่นแพ้ในเกมกรรม ไม่มีการพ่ายแพ้ถาวรคือคุณไม่อาจทำบาปร้ายแรงใดๆที่จะส่งให้ไปติดอยู่ในทุกติภูมิตลอดการขณะเดียวกันคุณก็ไม่อาจทำบุญที่สูงส่งพอจะดันให้ลอยขึ้นไปค้างบนสุกติภูมิชัว่วนิรันดร์มนุษยยภูมิเป็นภูมิที่เล่นเกมกรรมได้ซับซ้อนพิสดารเหนือภพภูมิอื่นใดไม่ว่าจะอยากสะสมแต้มบวกเพิ่มหรือแต้มลบเยอะในภู ม, มนุษย์นี้ คุณสามารถแก้ตัวได้มากที่สุดปรับเปลี่ยนพัฒนาได้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็อาจซ้ำเติมตัวเองฉุดตัวเองลงต่ำได้มากที่สุดด้วยเช่นกันเนื่องจากใจของมนุษย์มีโสมนัสอันเกิดจากบาปใหญ่ได้หลงผิดขนาดฆ่าผู้มีพระคุณสูงสุดเช่นพ่อแม่ได้ฆ่าผู้สละโลกเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไร้มนติน ก็ยังเคยมีคนใจบาปพอจะคิดปลงพระชนมาแล้วแล้วเมื่อนับกันเป็นเรื่องๆในโลกนี้ก็มีแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสมากกว่าเครื่องช่วยต้านทานกิเลสแม้บุญเก่าจะสร้างประการมโนธรรมมาให้คุณแข็งแรงเพียงใดหากเจอกระนำหนักๆเข้าก็อาจเขวได้เหมือนกันคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและเหตุผลที่ดีพอมาตั้งแต่ต้นชีวิต ว่าทำไมจึงสมควรต้านกิเลสทำไมถึงต้องยอมถูกหาว่าโง่ที่ไม่ฉกฉวยเมื่อมีโอกาสฉกฉวยพูดง่ายงคือถ้าไม่มีคนบอกให้คุณรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปแนวโน้มคือคุณจะยอมถูกบีบคั้นให้โลภโกรธหลงไปตามเรื่องตามราวมากกว่าจะคิดได้เองว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร กฎของเกมกรรมข้อหนึ่งที่น่ากลัวคือหากมีจิต ท, ที่เศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้สุขติเป็นอันหวังยากนั่นแปลว่าขณะใดก็ตามที่จิตคุณเศร้าหมองบัดนั้นคุณกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงกับการไปสู่ทุกขติแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนมีศีลมีสัตว์รักเดียวใจเดียวแต่หลงรูปจนไปคว้าคนเจ้าชู้มาเป็นคู่ครองวันหนึ่ง คุณบังเอิญทราบว่าคู่ครองสุดที่รักของคุณคบชู้คุณเกิดความเศร้าโศกหันหน้าไปหาเหล้าหากคุณกำลังนั่งกินเหล้าเคล้าวความอาลัยคนรักแทบขาดใจแดดินอยู่นั่นเองเผอิญวัยรุ่นไล่ยิงกันแล้วคุณดันเจอลูกหลงกระสุนเจาะเข้ากลางท้ายทอยขาดใจตายขาที่ก็คาดหมายได้เลยว่าจิตจะทำงานครั้งสุดท้ายเป็นการปรุงแต่งฝันร้ายให้เกิดขึ้น คุณอาจเห็นตัวเองเ ม, มามมยเดินโผเพไปตามถนนแหกปากเรียกชื่อคนรักที่นอกใจแทบไม่เป็นภาษาจากนั้นเมื่อจิตสุดท้ายดับลงคุณจะคงสภาพของเปรตขี้เมาร่ำอะไรรักไปอีกนานกว่าที่บุญอันสว่างสวัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงเวลาให้ผลมาช้อนรับคุณให้พ้นจากสภาพของเปรตได้สรุปคือ ความเป็นคนดีอาจไม่พอจะเล่นเกมให้ชนะในแต่ละครั้งคุณต้องมีเหตุผลมีสติมีศรัทธาที่เหนือกว่าเครื่องยั่วให้เป็นบ้าไปกับโลกนี้ด้วยเมื่ออ่านเกมกรรมออกจะเริ่มเห็นรางว่าคุณต้องเล่นไปเรื่อยเพื่อความเหนื่อยเปล่าอย่างไร้แก่นสารทั้งต้องดิ้นรนหากินทั้งต้องหาซื้อบ้านทั้งต้องวุ่นวายจัดการภาระต่างในชีวิตให้ลงตัวเสร็จแล้วก็ตาย ต้องไปหาใหม่เอาข้างหน้าอีกเท่านั้นไม่พอยังต้องสุ่มเสี่ยงต่อการได้ไปทุกขติภูมิเอาง่ายๆเพียงด้วยการเผลอปล่อยใจให้เศร้าหมองแล้วจับพลัดจับผูชตาขาดเดียวนั้นคุณจะเห็นมนุษย์และสัตว์ทุกตัวบนโลกร่วมเล่นเกมกรรมอยู่กับคุณคุณเห็นใจตัวเองอย่างไรก็ควรเห็นใจพวกเขาเท่าๆกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในวังวนแห่งเกม อันไม่เป็นที่รู้กฎนี้เหมือนๆกันมีสิทธิ์แปลเป็นนั่นเป็นนี่ได้ดีบ้างตกยากบ้างหยาบบ้างประณีตบ้างเหมือนๆกันต้องร้องไห้อย่างไม่รู้ทางแก้เหมือนๆกันตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะลงต่าได้เสมอเช่นกันการคิดเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อเล่นเกมกรรมจึงไม่ใช่นโยบายที่ดีอย่างน้อยคุณควรวางแผนที่จะหยุด รวมทั้งชักชวนคนรอบข้างให้รู้ตามและคิดตามด้วยขอให้ลองนึกถึงคนที่คุณรักที่สุดคนทนได้ไหมถ้าจะปล่อยให้เขาหรือเธอพลัดไปอยู่ในหมู่อันธพาลอีกทั้งตกอยู่ในสภาพความจำเลอะเลือนพร้อมจะถูกศาสตร์โคลนให้มอมแมมพร้อมจะถูกขมเหงให้บอบช้านั่นอาจเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงก็คือถ้าคนที่คุณรัก อย่างเวียนไหยตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายปลายทางเขาหรือเธอจะต้องตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ยิ่งกว่านั้นมากเพราะโคลนที่จะสาดมาเปื้อนเขาไม่ได้มาจากที่อื่นแต่สาดมาจากความไม่รู้ของเขาเองเช่นนี้คุณคงบอกตัวเองถูกว่าควรทำอะไรใช่แล้วคุณควรหาทางหยุดเล่นเกมเสียที